เท่านั้นเราอยากจะรู้บรรลุธรรมตรรัดสรู้รรมคืมรรคผลนิพพานเรื่องตั้งแต่เริ่มแรกก่อไก่ก่อกายยังอ่านยังไม่จบจนกี่วันกี่ปีกี่เดือนถึงจะสาเร็จถึงจะผ่านพ้นไปได้อันนี้มันเป็นเรื่องเอาเว ล, เวลาเข้ามาปิดมาขวาง ซึ่งเป็นคุณอุบายของฝ่ายต่างจะทำให้ท้อใจนี่ภาคกันทราบไม่ว่าเรื่องของกิเลสมันออกมาในรูปนี้แหละแต่เจ้าตัวไม่ทราบพอจะเริ่มทำ <c oughs> ความดีจะพ่ออย่างยิ่งจะถอดถอนหรือจะฆ่ากิเลสก็ให้กิเลสมาฆ่าเราเสียก่อน มาทุบมาตีให้เจ็บให้ปวดให้แสบให้ร้อนให้เกิดความยุ่งเหยินวุ่นวายขึ้นมาภายในใจให้เอาเวลาเวลามากีดมาขวางให้เอาความทุกข์ความลําบากในการประกอบความาเศร้าเพียนมาจีดมาขวางมาส ก, กัดลัด ก, กั้นไว้หมดจนหาทางเดินเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้มีเดีย ว, ว่ากิเลสฆ่าเราทุบตีเราให้ท้อถอยอ่อนแอ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 ไม่ว่าียาบทใดไม่คำหนึ่งถึงการเวลาอียาบทหรสถานที่ต่างๆเพราะกิเลสอันแท้จริงนั้นอยู่ภายในใจไม่ขึ้นกับเวล่อเวลาไม่ขึ้นกับสิ่งใดทั้งหมดการพิจารณาการประพฤติปฏิบัติจงต้องใช้อุบายวิธีให้ทันกับกิเลสดังที่กล่าวมานี้นั่นจะมีทางไปได้โดยลาดับ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 แม้แต่ถอดถอนหัวหนามก็ยังต้องเจ็บปวดแสบร้อนแต่ต้องทนเอาด้วยทางเหตุผลไม่เช่นนั้นจะทำให้เท้านั้นเน่าเฟะไปหมดเสียอวัยวะส่วนใหญ่ไปด้วยจึงต้องทนเจ็บถอดถอนหัวหนามออกไอหัวหนามคือกิเลสมันยิ่งฝังลึกฝังลงในคู่หัวใจมาเป็นเวลานานแล้วทำไมจะถอดถอนไม่ยาก ก็ต้องยากเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงไม่ควรเอาเว ล, เวลาเอาความทุกข์ความลำบากดังที่กล่าวมาแล้วนี้เข้ามาเป็นเครื่องกีดขวางจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจะหาทางก้าวเดินไม่ได้ให้สับยับนวงที่กิจทุกหรือไม่ทุก ไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกับน้ำมวยที่เขาต่อยกันบนเวทีคําให้คํานึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนในขณะที่ต่อยกันนอกจากมันทนไม่ไหวหกล้ม ก, ก้มกราบหรือถูกนอกกลมไปเท่านั้นในขณะที่เขาต่อยกันนั้นถ้ารา ย, รายใดคํานึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนอยู่แล้วรายนั้นแหละจะต้องแพ้โดยไม่ต้องสงสัย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 ฉะนั้นจริงไม่ต้องตั้งอันใดที่จะเป็นช่องทางของกิเลสจอดแทกเข้ามาอันนั้นให้พยายามมัดระวังรักษาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ทันกับกลขั่งมันแล้วจะแก้กันได้โดยไม่ต้องสงสัยเว <c oughs> ลานั่งสมาธิก็ดี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 ดึงต้องเป็นผู้มีสติอยู่เสมอเรื่องสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวจนกลายเป็นสัมปัชญะนี่คือการตั้งสติสืบต่อกันเรื่อยๆให้มีท่าต่อสู้อยู่เสมออย่าเป็นท่าเมื่อมองเลื่อนทะเลถลายหาสติสตังไม่ได้เหมือนคนไม่มีจิตมีใจดังนั้น ใช่ไหมได้เลรทมเป็นของประเสิฐเลิอดโลกอย่างแท้จริงไม่มีสมมติใดในโลกทั้งสามนี้จะเสมอเหมือนทรไม่ได้จึงยกให้ว่าเป็นโลกุตระธรรมแปลได้เอาความว่าทมเหนือโลก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 รวมลงแล้วว่าเป็นตัวภัยต่อจิตใจและเป็นตัวภัยต่อธรรมที่ผู้บำเพ็ญธรรมก็คือการแก้การปลอดถอนการตอร่อสู้กันไปจึงต้องมีความเข้มแข็งบึกบึนอย่าทอดแท้อ่อนแอความทอดแท้อ่อนแอไม่ใช่เป็นทางเดินของธรรมแต่เป็นทางเดินของกิเลส มาเป็นเวลานานแล้วในนิสัยของจัตโลกูกมีเราเป็นสำคัญแต่ละรายละหลายจงอยากได้นำมาใช้ถ้าอยากเห็นทรรมประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกตั้งหลายท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้นำทรรมนั้นมาสั่งสอนพวกเรานั่นละ่ะท่านเป็นผู้ประเสริฐเพราะทรรมไม่ใช่อยู่เฉยประเสริฐ ไม่ใช่ธาตุส่ขันนี้ประเสริฐไม่ใช่จิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ประเสริฐแต่เป็นจิตที่ดุพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งสกกระตกโสหมมทั้งหลายหาคุณค่าไม่ได้ท่านดุพ้นไปจากนี้ต่างหาจึงกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาใจประเสริฐขึ้นมาหากจะเทียบ เรื่องจิตที่หลุดพ้นไปแล้วกับจิตที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำคือวัตจักแต่พอยางยิ่งถูกจองจำอยู่ภายในจิตตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสปัญหาประเภทต่างๆก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนักโทษเหล่านั้นจะมาจากชาติชั้นมานหน้าใด หรือคดีใดแลห่งโทษคารุโทษก็กต่างเมื่อกล้าเข้าไปสู่ความเป็นนักโทษแล้วย่อมเป็นนักโทษโดยกัรหมดไม่มีใครมีเกียรติเาต้องได้อยู่ตามอำนาจของผู้คุมเสมอนายหัวหน้านายคุมนักโทษยังไงเราหมดอิสระแล้วเมื่อกล้าเข้าไปสู่เรือนจำหาอิสระไม่ได้ อยู่ในบังคับบัญชาของเขาทั้งนั้นการดู่การกินการหลับการนอนการเคลื่อนไหวไปมาการขับการถ่ายอยู่ในความจ้องมองอยู่ในความบังคับบัญชาของนายขุมนักโทษทั้งนั้นเราหาอิสระไม่ได้แล้วเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนในเรือนจำนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ถูกจองจาอยู่ด้วยอานาจของเยเลส อาสะวะประเภทต่างๆก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจิตใจจะเคลื่อนไหวไปมาคิดในเรื่องใดก็ตามมันอยู่ในความบังคับบัญชาอยู่ในความถูดลากของทเทเลตาให้เป็นไปทั้งนั้นแล้วจิตจะหาอิสระมาจากที่ไหนทั้งๆที่รู้รู้นี้แต่มองหาตัวรู้จุดผู้รู้จริงๆก็ไม่เจอเพราะถูกลุมห้มห่อปิดบังด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอำนาจเหนือจิต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 เพราะอำนาจของกิเลสบังคับบัญชานั้นต่างกันอย่างไรนี่จิงเที่ยมให้เห็นชัดๆว่าผู้ที่ถูกกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาหรือจิตใจหนาแน่นไปด้วยกิเลสปัญหาอาสวัประเภทต่างๆนั้นไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจํำหาความสุขความสบายไม่ได้แต่นักโทษนั้นเขายังมีเรล่อเวลาที่จะพ้นจากโทษไปได้สำหรับ นักโทษในวัตจักรวัตถกิจอันนี้นั้นหาเวลาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเรื่องตนเองเป็นอัตตาหิอัตนโนนาโถช่วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆในทางความเท่าเทียนโดยนำอุบายจากครูจากอาจารย์ที่แนะนำทําสอนโดยถูกต้องแล้วเข้าไปเป็นเครื่องมือเป็นกำลังใจถอดถอนแก้ไขออกไม่หยุดหย่อน สิ่งที่ปิดบังทั้งหลายนี้ก็จะค่อยหมดไปจางไปเพราะนาแท่งธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดชระล้างอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจก็จะได้ฉายแสงออกมาเช่นสายออกมาในทางสมาธิให้เป็นความสงบเย็ยนใจเปนน็นขั้นของสมาธิและฉายแสงออกมาเป็นแววของปัญญาตามขั้นของปัญญาโดยลำดับ นี่จิตใจเริ่มใายความสว่างใายความแปลกประหลาดขึ้นมาเป็นลาดับลดาดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่เลกที่เป็นเรื่องหุ้มหอ่อจิตใจนั้นค่อยจางออกไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรมีเริ่มใช้ไปตั้งแต่ขั้นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นหน้าก็ด้วยการทำด้วยการประกอบภาวนา ที่จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ก็เพราะการพิจารณาคิดค้นในแง่ต่างๆ <_ p> เกี่ยวกับเรื่องร่างกายแต่พ่ออย่างยิ่งร่างกายของเราคือกลองรูปของเราพิจารณาแยกแยะให้เป็นสัดเป็นส่วนตามความริงของมันจะแยกไปทางอสุภาอรุพังก็ได้แยกไปทางปฏิปูลโสโครไม่ผิด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 นี่เป็นความคาดความเดาของผู้เรียนตำหรับตำลามมาเท่านั้นไม่ได้สัมผัสสมาธิอย่างแท้จริงด้วยภาคปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาจึงต้องพูดเช่นนั้นหากเป็นผู้ได้เข้าสู่แนวรบต้องประสบเหตุการณ์ต่างๆภ า, ายในจิตโดยไม่ต้องสงสัยเช่นสมาธิเกิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรอะไร ผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่สงสัยการกระทำของตนแล้วปัญญาเกิดเพราะเหตุใดผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบความจริงอันนี้ปัญญาดิ้เฉยจะเกิดขึ้นไม่ได้ดูในสมาธิอยู่กี่ปีกี่เดือนดูจนกระทั่งวันตาจิตก็ เ, เป็นสมาธิอยู่เช่นนั้นถ้าไม่นำออกพินิจพิจารณาด้วยอุบาของปัญญาไปก่อน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 สนับสนุนให้มีกาลังใจเพราะได้เห็นผลของปัญญาที่พิจารณาแยกแยะสิ่งใดก็ตามเห็นได้อย่างชัดเจนต่อยวางได้เป็นลำดับลำดาบแล้วก็เห็นผลเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นปัญญาก็พอใจที่จะพิจารณาไปโดยลำดับลำดาโจนถึงขั้นเป็นปัญญาอัตโนมัติต้องไปจากเบื้องต้นนี้นีเสียก่อน ใ้เบื้องต้นเป็นสําคัญเนี่ยเรื่องของปัญญาจะเกิดต้องเกิดด้วยการพาพินิพิจารณาในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อไปเมื่อปัญญาได้เห็นผลของตนที่พิจารณาแล้วปัญญาก็ค่อยก้าวเดินไปเองถึงจะเชื่องช้าก็ไม่ก็ค่อยพยายามตะเกียบระกาตัวเองไปเมื่อถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติปัญญาที่คล่องตัวแล้วนั้น ไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอิริยาบถแต่ปรากฏหมุนตัวเป็นเรลียว อ, อยู่กับงานได้จากการฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสแยกแยกกับอาการต่างๆของธาตุของขันที่มีกิเลสสอดแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมในร่างกายและกองนามธรรมเบชนะท่านาท่น า, ท า, านขันยินยันกิเลสเที่ยวจับจองไว้หมด เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องสอดแทรกไปทุกแง่ทุกมุมนอกจากรูปกายนี่แล้วยังต้องพิจารณาถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเฉยเฉยทั้งทางร่างกายและจิตใจเวลาสรุปความแล้วก็ไปอยู่ที่สัญญากับสังขางอาการทั้งสองนี้ละเอียดละออมมากสุดท้ายก็รวมลงไปสู่จิตเนี่ยเรื่องของปัญญาถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีคาว่าขี้เกียจ ที่ค้านไม่มีคำว่าหนักไปเบาไปมีแต่ท่าเดียวคือจะเอาให้ให้รู้ให้พ้นจะเอาให้รู้โดยท่าเดียวเท่านั้นเวลร่ำเวลาจริงไม่มาเกี่ยวข้องความเจ็บปวดแสบร้อนความทุกข์ควา ม, วา ม, าวรวามทรมานเพราะการประกอบความเท่าเขียนไม่ปรากฏในความรู้สึกนอกจากพาดพันธุ์แหลกกันอยู่กับพิริยะปัวะที่มันสอดแทรกอยู่ในธาตในขันใ น, น, นจิตในใจนี้เท่านั้น ถ้าถึงขั้นนี้แล้วเออโล่งพูดถึงเรื่องความโล่งจากนั้นโล่งพอเห็นผลสมาธิก็เห็นประจักษ์ผลของปัญญาก็เห็นประจักษ์อีกที่ปัญญาสํารอกปอกออกไปโดยลําดับลาดับแล้วมีความป่องสายมีความละเอียดละออเพียงไรก็เห็นได้ชัดภายในใจของต น, นที่จะก้าวต่อไปจิตยังติดนังพัวพันอยู่กับสิ่งใดกระแสะของจิตจะบอกอยูชัดเจน ปัญญาก็ต้องตามกระแสะของจิตกระแสะของจิตก็คือกระแสะของกิเลสไม่ใช่อาจี่เรลสผลักดันออกไปในแง่ใ น, ใ น, ในมุมใดตติปัญญาตามต้อนเงินเข้าไปจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วมันต่อยวางข้อมันเองเป็นลําดับลาดาไปอย่างนั้นสําหรับพวกเราผู้ปฏิบัติเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาผิญญาทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้า เราก็ต้องเกียดเสการไปตามกําลังของเราจะเอาท่านผู้อื่นที่มีความฉลาดแหลมคมหรือมีความเบาบางมาเป็นแบบเป็นฉบับทําง่ายๆรู้ได้เร็วๆอยางนั้นมันเป็นแบบที่เกียรติที่คล้างมันเป็นแบบของสิเลทมันขัดต่อ น, นิสัยของตนที่กําลังยอยากอยู่แต่ไปต้องการต้องการความสุกก่อนหา ไม่ต้องการความทุกข์เพราะการฝึกฝนอบรมคือไม่ยอมรับทุกข์เพราะการฝึกทรมานตนมี่ให้ทราบอย่างนี้ตามีิสัยัองตนที่กลาวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือไปจากกายกลับใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติยาไปคิดถึงการถึงเวลายาไปคิดถึงสมัยโน้นสมัยนี้ให้เสียเวลามีเวลาผิดกับแนวของธรรมที่ ประกาศสอนไว้ว่ามัชจิมาปฏิปทาทำนี้แหละคือเป็นศูนย์กลางหรือเป็นธรรมอันเหมาะสมในการปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าการโน้นสมัยนี้เป็นกิเลสประเภทเดียวกันถ้าความโลภก็โลภเหมือนกันมาตัาง้งแต่การไหนๆความโกรธความหลงราคาปัญหามีฝังหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสมัยไหนไม่ได้มีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลง ไปจากนี้พอที่จะเปลี่ยนแปลงทำและพอที่ทำจะตามไม่ทันนอกจากเราคว้าเอาทำซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นมาไม่เหมาะสมเพราะความโง่ของตนนั้นเป็นไปท่าด้วยเหตุนี้ปัญญาจริงเป็นของสําคัญที่จะต้องพินิษพิจารณาให้ทันกับปัญญาของกิเลสแก้ไขกันไปตามเหตุผลด้วยเหตุการณ์นั้นๆ น, น, นี่ชื่อว่าปัญญาที่ทันสมัยศีล ส, สมาธิปัญญาไม่เป็นมัจฉมาจะเป็นอะไร เหมาะสมอยู่ทุกเวลาให้กำหนดตรงที่นี่ราคาตันหาความโลภความปวดความหลงมันไม่มีการมีสถานที่มีจิตเป็นที่อยู่แห่งเดียวเท่านั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันไม่เคยแก่ไม่เคยข้าคร่าไม่เคยชลาไม่เคยตาย อ, อะไรจะแก่อะไรจะข้าคร่าสิ่งที่มันผิดขึ้นมาเช่นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นจักเป็นบุคคล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 ความเป็นจินของมันว่าอยที่จิตนี้อืมจิตคําว่าจิตก็ ค, คือความรู้กิเลสก็คือเป็นผู้แทรกอยู่กับความรู้นั้นบงการความรู้ให้เป็นไปในแง่ต่างนั่นเรียกว่ากิเลสมันติดมันพันอะไรในจักรวนนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด mm hmm. เหตุใดกิเลส จ, จะไม่จับจองให้เป็นเจ้าของอืม mm hmm. แข้งขาตีนมืออวัยวะผมขนเล็บปานหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนในร่างกายนี้มันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นกิเลส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 ในร่างกายนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จากนั้น amel, ก็แทรกเข้าไปในกะเวทนาจะพ่อยางยิ่งทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เด่นมากสัญญาชังขานวิญญาณมีแต่กิเลสเอาเป็นเครื่องมือทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสไปแล้วการพิจารณาที่ต้องแก้ความจอมปลอมของกิเลสประเภทต่าง ซึ่งมันตักปันเอาไว้ทั้งหมดมีดแต่ความจองกอดแก้ด้วยธรรมของจิตเช่นยิเลศว่าสวยว่างงามมันสวยงามที่ไหนร่างกายของคนของสัตว์ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยอสุภ า, อาพอังอืมเมื่อหนังเอ็นกระดูกเป็นของสวยของงามเมื่อไหร่อืองพฏิกูลโสโครกทั้งนั้นอาหารหมาอาหารเก่ามีทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเอาความสวยงามน่าดูมาจากไหนอทำไมจริงต้องไปเชื่อมัน ความจริงเห็นอยู่อย่างเด่นๆชัดๆอย่างนี้ทั้งชาทัทททททท้งล้างทุกวี่ทุกวันถึงขนานนั้นยังส่งกลิ่นความปฏิกูลโสโครองตดออกมาแล้วจมูกมันได้กลิ่นแต่ตามันบอดมันไม่พิจารณาส า, าเหตุทาผลของกลิ่นที่มันได้จากจมูกนั้นเพราะออกมาจากกายนี้ไปสัมผัสกันจิตมันบอดมันก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่บอดใช้ปัญญาพนิพิจารณามันจะหนีไปไหน เป็่นนี้มาจากไหนมันมาจากเนื้อจากกายเรานี่มาจากไหนตามลงไปตาก็เห็นอยู่ชัดๆถ้าไม่บอดตาใจท่านเสียอย่างเดียวเท่านั้นความจำลอมนี้จะมารูปหน้าคําตาหรือปิดตาเราได้อย่างไรปัญญาสอดส่องเข้าไปตรงไหนมันก็จ่างเพราะเรื่องความจริงเท่านั้นเพราะความจริงมีเต็มตัวอยู่แล้วเป็นเพียง ป, ปัญญาไม่เกิดจึงไม่มองเห็นความจริง ยอมไม่กิเลสตัวจําปลอมพาเศษสังตั้นยอมพาสุดพาลากไปพูดถึงเรื่องอณิจังมันแปรยุหมดทุกอาการเราอย่าว่าแต่ส่วนร่างกายนี่เลยแม้ขันศีลคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัวอณิจังทุกข์งหน้าต่างเหมือนกันหมดเอาอะไรมากินเราเชื่อกิเลสเราเชื่ออะไรถ้าไม่เชื่อของปลอมนแเราจะได้ของจริงมาจากไหนอจึงต้องใช้ปัญญาสอดแทรกนั่นเข้าไป สวมรอยกันเข้าไปที่เลตมันปักปันไว้ก่อนแล้วปัญญา ส, สติปัญญาแทรกมาที่หลังแทรกตามมันเข้าไปให้เห็นชัดเจนทุกอาการของร่างกายเกินกระทั่งหายสงสัยแล้วลอยวางกันเองใครจะไปแบกไปหามด้วยอุปทานหรือพอรู้แล้วก็อถอดถอนตัวเองออกมาเป็นตัวของตัวในส่วนหนึ่งแล้วมีการพิจารณา เน้่นแต่เราจะแยกให้เป็นอุบายสติปัญญาของตัวเองครูอาจารย์เป็นตผู้หยิบยื่นให้ถ้าเป็นไม้ก็ทั้งดุ่นให้เราไปเจริญในาเอาเองการที่เราเจริญในาพิณิพิจนาเอาเองโดยอาศัยอุบายจากครูอาจารย์ไปเป็นต้นทุนนั่นแหละเป็นสมบัติของเราโดยแท้เราจะนำแก้กิเลสตัวใดไปได้หมดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัญญาแตกขั้นแหว่งขึ้นจากเราเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเอง นี่แหะเป็นทางเดินของผู้ปฏิบตัติเป็นสมบัติของเขาของเราโดยจตรงพากันคิดพากันพิจรารณาอยา่าดูเฉยเฉยความขี้เกียจขี้ค้านนั่นแหละคือตัวกิเลสมันนอนตรงท่อแท้อ่อนแอเลี้ยวไหลเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนั่งทับนอนทับยิ่งเกือบไปไปมากันนี้ล้วนแด้ตั้งแต่คลาเข้าอยู่กับกิเลสทั้งหมดทําจนหาที่แทรกไม่ได้แล้จะเห็นของทีเสื่อที่โสมาจากไหน คำว่าวิเศษวิเศษก็ได้ยินแต่ชื่ออานในคมภีร์จนหมดทุกคัมภีร์ก็มีแต่ชื่อของอัตของธรรมของบาปของบุญของกิเลสตัณหาอาสวะของมรรคผลนิพพานแต่ไม่มีกิเลสตัณหาอาสวนะนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานอยู่ในคมภีร์นั่นเลยนั่นตัวจริงไม่ได้มีอยู่ในนั้นอยู่กับหัวใจของเรากับตัวของเราคําว่าบาปได้เกี่ยอะไรกิเลสกิเลสประเภทต่างๆได้เกี่ยอะไรอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจ จึงต้องแก้เข้ามาที่ใจให้เห็นตัวจริงที่ใจีพระพุทธเจ้าท่านสอนเข้ามาที่ใจไม่ได้สอนออกไปหาคัมภีร์คัมภีร์นี่คือคัมภีร์ใหญ่ที่สุดได้แก่เป็นจขังอันนี้สัจธรรมทั้งสี่เขอยู่ที่นี่อทุกสมุทัยนิโรจมากก็อยู่ที่นี่สติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ที่นี่ฐานที่พิจารณาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเพราอกิเลสเป็นผู้ผักผู้ปานผู้ยึดผู้ถือผู้ผิดขึ้นมาอยู่ที่นี่เนี่ย ตัวมันผิดขึ้นมาก็คือร่างกายจิตใจร่างกายและขันสี่ของเราหรือขันทั้งห้านันผิดขึ้นมาก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นอริสัต์จึงอยู่ที่นี่สนามรบจึงอยู่ที่นี่เอามักได้เจริสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหละ ก, กันลงไปที่นี่คำว่ากิเลสสมุทัยนั้นก็จะจางไปจางไปความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับลาดั บ, ด บ, ด บ, ดบ ทุกที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของสมุทรไทยก็ดับไปเพราะสมุทรทยดับไปนี่มันอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่อื่นพิจารณาให้ดีแล้วอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินเพื่อนฝูงที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาเล่าเรื่องกิตตภรนาให้ฟังว่าได้รู้อย่างนั้นได้เห็นอย่างนี้สมกับทรรมเป็นเครื่องประกาศความจริงท้าตไทยอยู่กระเทือนโลกทาตมาเป็นเวลานา ทำไมจึงไม่กระเทือนจิตเราบ้างเราเป็นผู้ผผปฏิบัติธรรมแท้ๆทำไมทำที่กล่าวเหล่านี้จึงไม่กระเทือนจิตของเราเ<ใ>ช่น ส, สมาธิทำปญญามันเป็นขั้นๆ ข, ข, ของสมาธิปัญญาทำเป็นขั้นๆ ข, ของปัญญาอืมตลอดถึงมรรคผลนิพานวิมุตติพ้นทำไมจึงไม่มาสัมผัสสัมพันธ์จิตของเราเพราะทำเหล่านี้อยู่ที่จิตแทๆ้ๆทำไมจึงไม่ปรากฏมันหูหนวกตาบอดไปไหนนะักจิต ด, ดวงนี้จึงไม่มีสติไม่มีปัญญา ที่จะขุดค้นทาของกินที่ประกาศกางวานอยู่ทั่วสารพางร่างกายและกระเทือนทั่วทั้งโลกชาติเป็นมาเป็นานานทำไมจึงไม่รู้ทำไมทำไมจึงไม่เห็นพิสูจน์ตัวเองให้ดีนักปฏิบัติของประเสริฐก็อยู่ที่นี่เอาดิดาดจิตเอินค่ากิเลสตัวจอมตลอมนลงไปให้หมดเช่นจากใจที่ หยุตรงนี้จะเป็นยังไงวิเศษไม่วิเศษรู้กันตรงนั้นแ่ะที่นั่นแหละที่ยกขึ้นมาเป็นข้อเทียบเทียมยีเป็อิสระเป็นยังไงอหยดอยู่ใต้อำ น, นาจทิงกดขี่บังคับเป็นยังไงมันได้เห็นทั้งสองอย่างเวลาอยู่ใต้อำนาจความกดขี่บังคับของกายต่ํา มีทุกขนาดไหนในหัวใจของแต่ละคนนะคนเฉพาะอย่างยิ่งของเราผู้ปฏิบัติก็เห็นในชัดเจ็เวลามันคลี่คลายกับเราออกไปด้วยการพึ้ปฏิบัติท่องเราโดยลำดับเราก็ทราบจนกระทั่งทำลายกันหมดไม่มีเหลือบรรดาสิ่งที่เคยเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจนั้นไม่มีมีแต่ทำเป็นอำนาจทำเป็นอานาจไม่มีามมการกดขี่บังคับจึงเรียกว่าทำ โลกเขาขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมก็เพราะความเป็นธรรมของธรรมนั่นแหละไม่ได้เป็นเหมือนกิเลสอาสวะทำครองใจมากน้อยมีความสุขความสมายมากน้อยดูลําดับทำครองใจเสียทั้งดวงแล้วนั้นนะ่ะกระเสริฐใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันกระเสริฐไปอันนี้เป็นอันเดียวกันพ้นแล้วจากความกดขีบ่บังคับของสมุดทั้งมวลในโลกนี้อืเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิมุติ ให้ชื่อสมมติอันหนึ่งขึ้นมาคือหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลท้าในใจของตัวเองนั่นละธรรมชาติที่เศษ็อยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรก็ตรงจิตที่ถูกบังคับจากที่เดือดปญหาเพราะอยู่เวลานี้แหละรู้อยู่เวลาพูดบันทีได้ยินอยู่ทราบอีชัดเจนแต่ไม่มีอุบายที่จะแก้ไขปลดเปลื่องธรรมชาตินี้ออกหมายเห็นอย่างชาัดเจน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 เขาไม่มีกิเลสอะไรเข้าไปแทรกมันแต่จิตผู้รู้เนี่ยที่มีกิเลสบังคับบัญชานอะไรเรื่องอะไรทุกมากน้อยมันรู้รู้รู้ทุกแทบลม้มแถบตายหรือทุกจนตายมันก็รู้ตัวนี้สําคัญึเอาตัวนี้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้การภาวนาท่านั่งมัน ง, ว ง, องออ่วงง่วงซาประงกห้องนั้นก็เปลี่ย น, นยาบทลงเดิน หาใบาพลิกแพงไปหลายด้านหลายท่งเอาให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่งานที่ชอบทรพ้องตน อ, อย่าลดละความเพียรความเพียร น, นั่นแหละเป็นทางให้หยุดพ้นจากทุกความที่เกียจคี้คร้านหน่อนแน่นี่พายเราให้ล่มจมมาเป็นเวลานานแล้วมันมีคุณค่าที่ตรงไหนจึงต้องรักต้องชอบติดอกติดใจเอานั่งนาะ ถ้าเราไม่ติดใจกิเลสเราจะติดใจสิ่งอะไรอะไรก็ต้องฝืนกันนะเราเห็นว่ากิเลสเป็นภยัยสิ่งอ น, นี้ก็คือเรื่องของกิเลสก็ต้องเป็นภัยต่อเราอีกเหมือนกันก็ต้องต่อสู้กันด้วยความขยันหมัน่นเพียรความอดความทนนี่เป็นสิ่งสำคัญต้องยอกย้อนกันอย่างนั้นนะปฏิบัติเพราะกิเลสมันแหลมคมมากทีเดียวไม่คิดยอกย้อนถอยหน้าถอยหลังพลิกไปพลิกมาร้อยสันพันใหม่ไม่ทันกับกิเลส <c oughs> ปฏิบัติกันมา ก, ก็เป็นเวลานานั้นทำไมไม่ได้ทออได้วความของจริงมีอยู่แท้ๆภายในจิตใจการสอนก็สอนลงจุดที่ถูกต้องไม่ได้ผิดพาดแตไหนซึ่งผู้ฟังสังหจะยึดเอาไปปฏิบัติผิดผิดถูกถูกแล้วสอนด้วยความแน่ใจความจริงเป็นยังไงประทบ การทุกอย่างเป็นมาจากด้านปฏิบัติทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกได้ประสบมาด้วยกันแล้วนํามาแสดงหมดผิดก็เป็นทูอันหนึ่งถูกก็เป็นทูอันหนึ่งมาโดยลําดับนํามาสอนให้รู้เรื่องรู้ลาทั้งนั้น ไ, ได้ด้าจะสงมใจนอกจากกิมันไม่เอาไหนเท่านัน้นถึงไม่ได้เรื่องเลยล่ะแล้วลกุดด้วนลงไปโดยลําดับลําดับนักปฏิบัติ หาผู้ดีทรงข้อวัดปฏิบัติอย่างแท้จริงและผู้จะทรงมรรคทรงผลจะไม่มีเลื่อนว่างมีแต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานใครตั้งเอาก็ได้กรรมฐานความจริงของกรรมฐานแค่ติดรู้ฐานอันสําคัญของคําว่ากรรมฐานนี่นั่นสิมันรู้ได้ยากกรรมฐานก็แปว่าที่ตั้งของงานนั่นก็บอกไปแล้ว กรรมะแปลว่าการกระทำฐานะทำลงที่นี่จะทำลงที่ไหนโัยที่ตั้งของงานท่านสอนว่าเกรีรสาลุ ม, มานะะาขาลันตาตะโจนั่นแหละงานทำลงที่นั่นดูให้ดีในร่างกายมีส่วนไหนที่เหมาะกับสดิจิตใจของเราหนังก็ดูให้ดีข้างนอกเป็นยังไงช้าล้างทุกวัน มันสะอ า, าดในชาล้างกันอย่างไรก็แสดงออมามันสกรปรกถึงในชาล้างความสกรปรกนี้ออกมาจากไหนถ้า อ, ออกมาไม่ออกมาจากภายน์ในภายในภ า, ภาสะอาดภายนอกก็ต้องสะอาดที่จะไปทําแปดเปื้อนจุ่มสีจุ่มห้ากับสิ่งภายนอกนั้นเราไม่ได้ไปทําแต่มันแปดเปื้อนมันสกรปรกมาจากภายในมันต้องได้ช้าได้ล้างแล้วยิ่งเข้าไปภายในอ่ะเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปไปได้ไ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 พิจารณาลงไปยิ่งเข้าไปตับไตได้ปรุงอาหารใหมาหานเก่าด้วยแล้วนี่งเต็มไปด้วยของปฏิพูลโสโทกทั้งนั้นเป็นเราเป็นของเราที่หนาละใคร้ชอบใจที่ตรงไหนแยกตรงไปที่นะปฏิบัติ mm ือ hmm. แยกแยกถือเป็นการเป็นงานจริงๆหลายตลกทบทวนคุยเกี่ยวกับุดค้นมันอยู่ตรงนั้นจนความจริงปรากฏขึ้นมามีการคุยเกี่ยวกับขุดค้นนี่เพื่อหาความจริงความจริงมีอยู่ในนั้นแท้ๆทาไมจึงเชื่อกิเลสอย่างหลับหูหลับตาเราลืมตาแล้วก็เห็นอยู่นี่ มันเป็นยังไงทางตาก็เห็นได้ชัดๆมันเป็นยังไงสกุลกายอย่างนี้ทำไมจึงไปต้องหลับตาเชื่อมันอยู่ตลอดมาของจริงมีอยู่ธรรมของจริงสอนไว้อย่างนี้แท้ๆเป็นสวกะธรรมจากไม่ชอบไม่มีผิดจึงเรียกว่าธรรมของจริงทำไมมันจึงไม่เชื่อของจริงถ้าเชื่อของจริงพิจารณาลงหาความจริงดังที่กล่าวมานี้ทาไมจะไม่เห็นความจริง นี่ยพูดถึงเรื่องร่างกายยังมีชีวิตยอยู่นี้มันก็เห็นได้ชัดอย่านี้เป็นกองปฏิกูลแยกออกแต่ละชิ้นละส่วนมันเป็นที่น่าดูเมื่อไหร่น่ารักค่ายชอบใจน่าถนัดินดีที่ตรงไหนนี้เวลาตายเป็นยังไงมันเน่าเฟะหมดทั้งร่างนี้สมมติเราเรานั่งอยู่เนี้ยตายแล้วมันเป็นยังไงมันก็พองขึ้นมาหมดทั้งตัวอเพราะไม่มีเครื่องสืบต่ อ, อ, ลอแล้วเจ้าตัวการคือจิตผู้รับผิดชอบ สมานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายในร่างกายนี้ได้ถอนตัวออกไปแล้วร่างกายก็ไม่ไม่ทํางานเช่นเดียวกับรถยนไม่มีคนขับขก็อยู่อย่างนั้นแ่ะเก๊ะๆอยู่งั่นและวแต่มันไม่เน่ารถยนแต่ร่างกายนี้พอจิตผู้รับผิดชอบถอนตัวออกไปเท่านั้นส่วนไหนก็นเน่าไปพร้อมๆกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างด้านควางสถานการในร่างกายเน่าเซแล้วระเบิดออกมาเอือย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 เราวนั้นมันพังปูพังรพกระจายไปซะก่อนกระดูกมันเป็นของแขนกระจายไปทีหลังเพกลายเป็นกองกระดูกตัววของเราเองเนี่ยมันคือกองกระดูกพี่น้ามันเห็นชัดเจนตามความจริง น, นี่พิจ า, า, สาสรณาซ้ำซ้ำซากซากจนเป็นที่ชัดเจนแล้วมันถอนตัวของมันเองอย่าพิจารณาเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวอย่าถือเป็นแบบโลกโลกให้ถือเป็นแบบธรรมธรรมนั้นยังไงจะเข้าใจ ไม่หยุดไม่ถอยในการกัรทำเพื่อความเข้าใจต้องพิจารณาอย่างนั้นมีคือทำเพียงอธิบายในขั้นเดียร์นี้ก็พอจะยึดได้แล้วพอเห็นจะชัดเต็มตาเต็มใจของเราทุกคนมีอยู่กับทุกคนในส่วนละเอียดคือ น, นา ม, มาทำนั้นเมื่อผ่านนี้นไปแล้วจิตมันหักหมุนกีเข้าไปเอง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 นั้นกับพิจน า, ทาเทศนาของจิตสัญญาเป็นขันธ์ที่ละเอียดมากนะมันเยิ้มออกไปเป็นภาพได้อย่างสมาสังขารมันมีแยบความเป็นความปรุงความคิดยังมียับเหมือนกระแสหิ้วห้อยกระเพื่อมยับแต่สัญญานี่มันเหมือนกับน้ำารับน้ำซึมมันซึมออกไป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 การจึงต้องแยกต้องแยกให้เห็นตามความคินทุกสัต์ทุกส่วนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเหล่านี้มันก็หมดไปหมดไปจนกระทั่งถอนพวดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตเลยนั่นแหละที่นี่อยู่ไหนก็อยู่เป็นอิสระเต็มภูมิมีการไม่มีสถ า, านที่หรือรำ่ำเวลา ไม่มีที่นั่นที่นี่ว่ากิจจะไปปรุงตัวที่ไหนจะเกิดที่ไหนไปตายที่ไหนจะไปเท่าแก่ข้ามคราชลาฟันหักฟันถอนที่ไหนไม่เหม่ยจะไปนรกหลุมไหนไปสวรรค์ชั้นใดธรมโลกชั้นใดแม้ในสุดนิพพานก็ไม่หมายถ้าลงได้จริงเต็มส่วนแล้วหมายไปหาอะไรยังไม่มีปัญหาขึ้นชื่อว่าสมมติในแดนโลกธาตุนี้ สำหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วไม่ต้องคารอะไรทั้งนั้นจึงไม่คิดให้เสียเรล่องเวลานี่นี่ละความจริงอยู่ที่จิตเมื่อถึงความจริงเต็มภูมิแล้วจะพูดได้ด้วยกันพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมาแสดงบอกสันที่ติโกประกาศไว้แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติให้มีสิทธิที่จะได้เป็นสมบัติของตนได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติ ผลแห่งงานของตนเช่นเดียวกันหมดท่านขอให้ทุกท่านตั้ง อ, อกตั้งใจพึจารณาบัติผมเป็นห่วงหมูเพื่อนถึงจะลำบากระบุนก็อุตส่าห์พยายามจะเขียวจะการมาให้โ อ, อกาสการสั่งสอนเพราะเห็นว่าเราเคยคิดมาตั้งแต่เราเป็นผ้านหนุ่มผ้า น, น้อยที่ ส, ส่องแสงหาขูหาอาจารย์อยากได้ยินได้ฟังหิวกระหายจะเป็นจะตายเวลาได้ยินนีก่ก็ยหิญยิ้มย่องเวลาท่านให้การอบรมเหมือนจะเหาะจะบินนี่เอาเหล่านี้เนี่ย สิ่งที่เป็นมาของตนนั้นเวลาเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้จึงต้องพึ่งครูพึ่องอาจารย์พึ่องอุบายแนะนําสั่งสอนตลอดกิริยามายากการกระทําอะไรเป็นที่ยึดทั้งนั้นนี่เพราะเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนั้นหมดปัญหานอกบัญชีนี้ไปแล้วดงั้นเวลานี้เรากําลัง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 คำที่กล่าวทั้งหมดนี้จะมาขึ้นเป็นหนองอ้อพาณิตเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงนั้นแล้วอ้อเป็นหนังนี้จริงๆริไม่ได้เป็นที่ไห น, นเป็นที่นี้จริงๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันมืดอยู่ที่ตรงไหนพอเปิดไฟขึ้นความสว่างก็จ้าขึ้นในสถานที่มืดนั่นแหละมีจิตมันมืดอยู่ด้วยอนานาจของกิเลสแต่สว่างจ้าขึ้นมาด้วยอนานาจของปัญญาแทงทะลุไ ป, ปหมดก็สว่างจ้าขึ้นมาเป็นอาโลโกออุตปาดิสีสว่างจ้าขึ้นมาพาจิต อันนี้อธิบายเปลีนนป่ ย, ยนพลังไปอันยาบ้านหมูเกล็ดตาเหนื่อยหมูเกล็ดไปนวดเส้ในให้ตอนกลางวันจะให้มันหลับตั้งหน่อยคือวันไหนมันกําเดิบ ม, มากมันนอนไม่หลับนะมันกระตุกคุณน้อยอะไรอุปคุฎอย่านี้แหละไนวดให้พอเวลาผมหลับแล้วให้พากันไปเลยนะไม่เกิดประโยชน์หรอกนวดไปนวดไปไม่ค่อย พอมันหลับมันมีเพื่อนก็ไปเห็นนี่พอมันหลับหมู่เพื่อนยังไม่ไปสิว่ามันเตะหมู่เพื่อนจนล้มแต่พระผู้ที่นวดอยู่อยู่นี้ททางต้นขานี่ผมันใส่จนล้มมึงนะนู่นน่ะฟังสิเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเป๊ะงเจ็บไหมใช่ไหมไม่เจ็บเราเพราะอยู่ทางต้นขาเตะไว้นู่นเพราะงกันขนาดนั้นนะนี่ใครบังคับมันเรื่องขันมันเป็นเรื่องมันเอง เหมือนยังไฟไหม้ปลาไัลเลยระเบิดปึ้งปั้งปั้งปังเหมือนกับของมีวิญญาณความจริงไม้ไผยมันก็ไม่มีความรู้สึกมันไม่มีความหมายในตัวของมันแล้วมีความหมายในไฟไฟก็มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในไม้ไผ่ที่มันไหม้ระเบิดปึ้งปั้งปั้งต่างอันต่างไม่รู้ความหมายแต่มันก็เผาอยู่อย่างนั้นหรืว่าไงจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานไป มีเรื่องธาตุเัืงขันต่างอันก็ ม, มีความหมายตัวเองรูปมันก็ ม, มีความหมายในตัวของมันและมันไม่ไม่มีความหมายในทุกเวทนาทุกเวทนาก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในร่างกายมันก็ปฏิบัติมันก็เป็นต่อกันได้อย่างนั้นเช่นเจ็บปวดนั้นเจ็บนั่นปวดนี่ชักกระตุกอะไรอะไรนี่เป็นเรื่องของมันมัน ม, มีความหมายไม่ไดจิตเป็ผู้ ร, รับทราบรับทราบรับทราบเท่านั้นเอง กินไม่ตื่นเต้นไปกับมันแล้วอะไรจะตื่นอะไรจะจะเป็นโทุกขฮ้ยก็รู้สภาพมันทุกข์อย่างหนึ่อย่างเช่นเดียวกันเราดูกองไฟมันจะเผากันจนเปล่ามันจุดเมฆมันก็เป็นไฟกับฟืนเผากันมันไม่ได้เผาเราเราไม่ได้อยู่ในนั้นนี่นี่จิตที่เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนมันก็เป็นตำหนองนั้นแหละคิดว่ามันจะมาเผาจิตได้ยังไงเพราะฉันกล้าพูดคิดว่า นนเราไม่รู้ก็าตามเราก็กล้าพูดโดยภาคปฏิบัติของเราเนี่้องที่ในพุทธวัดมาพระพุทธเจ้าสเสด็จไปเมืองอุชินาราจะประดิษฐานที่หนแล้วไปทรงกระหายน้ํำแล้วอ่อนเพียรักสั่งพระนนลไปตักน้ํามาให้สวยแล้วรักสั่งพระนวลให้ลาชสังขาพราะปูปูทั้ง้ารสังขาติงางาลง อานนท์เาเหนื่อยเราจะพักผ่อนเราสังฆาติตรงที่นี่แล้วอานนท์ตักน้ํามาให้เราดื่มเราสหายน้ําเต็มทีนี่ที่มัดยดเอานี้ว่าพระพุทธเจ้าสเสวยทุกเวทนาผมได้ฟังวันนี้เจ้าผ้าเจ้าคุณนมัเทศอยู่ที่วัดนี่นะอว่าพระพุทธเจ้าก็สเสวยทุกเวทนายกตัวอย่างขึ้นมานี่ผมสลดใจตึงเลย อ๋อเป็นหนังความจํากับความจริงนี้มันผิดกันคนละโลกอย่างนี้เองนะ่นเดีวเราก็ไม่ค้านพระพุทธเจ้าทำทุกเฉว้ิ้ทุกเวรนาเพราะนันท่านไม่อย่างนั้นท่านจะพูดอะไรว่าอนุโลเราหนื่อยอนุโลเราก็หายน้ำํำต่างน้ใหายเราดีทีนี้มันไปคนละโลกกับความจริงพูดภาษาของเราให้ฟังชัดๆเจนก็ อานน์รถเหล่านี้เวลานี้น่ะเนี่ยรถกับคนขับมันคนละอันนี่คนละอย่างนี่น่ะอานน์รถนี่มันจะหมดน้ํามันเอน้ํามันมาเพิ่มหน่อยผมจะเราจะหมดน้ำมันมันจะไปไม่รอดแล้วเอาน้ำมันมาเพิ่มมันด้วยน้ามาใส่เติมเราเทียบยยอะแย่นี้แหละเติมน้ํามันแล้วมันจะไปถึงที่ขมันแต่รถยนตนั้นเติมแล้วไปถึงหนมันก็ไปได้ อันนี้พอเดียวยาแไปให้ถึงที่นี่ขันของเราเนี่ยอันนี้มันเพียบแล้วอนน์มันต้องการน้ํามันเพียบแล้วมันต้องการพักถ้าพูดว่าต้องการถ้าพักมันสบายใจผู้รับผิดชอบรู้อยู่นีถ้าพักแล้วจะขันนี่จะค่อยบรรเทาลงไปถ้าเดิ่ดื่มน้ําแล้วขันนี่ก็จะบรรเทาลงไปเพราะใจผู้รับผิดชอบทราบอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นะจึงต้องบอกพลาดโดงประจานน้ามาเพื่อขันนั้นนี้ ราสังฆาตีเพื่อความผ่อนผัแข่งขันหนึ่มีใจเป็นผู้รับผิดชอบแต่ไม่ใช่ใจเป็นผู้อุปทานรู้วันหยุดทางก า, างนั้นนั่นความจริงเป็นอย่างนั้นท่านเสวยที่ไหนเอาอะไรมาให้เขท่านเสวยเป็นขนาดพระอราหันต์จิดหลุดพ้นแล้วจากส ม, มุติทั้งปวงทุกเวทนาเป็นสมมติมันเข้ากับใจปองพระอรหันต์ได้อย่างไรนั่ น, น, นเอาตรงนั้นสิท่านักปฏิบัติแล้วต้องเอามันถึงที่หิมันเห็นชัดๆสิสามโลกธาตุนี้มาค้านก็ไม่หวัน่นมันลบก็ไม่สูญความจริงอันนี้นะ เกียรตเป็นวิสุทธิจิตริมุติจิตแล้ววิสุทธิจิตวิมุติจิตแล้วอืทุกเวทานานั้นมันเป็นสม ม, มูิอันนี้จัางทุกคั้งนั้นตามันตปองเข้าจิตวิมุติจิตได้ยังไงอันหนึ่งเป็นริมุตอันหนึ่งเป็นสม ม, ม, มูลเพียงเท่านี้มันก็เข้าใจแล้วนีอเราคัดคาดกันเนี่ยเราพูดภายนอกเราคัดคาดกันก็ได้แต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นหลังจากขนาท่านบานรรลุธรรมถึงวิมุตุดุดพ้นแล้วเท่านั้นเนี่ยเรื่องเวทานาใดก็ตาม ตาไม่เข้าเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นได้เลยตายก็ตายไปด้วยเรื่องของขันมันคนไม่ไหวเท่านั้นน่ะนั่นจริงนย่าว่าบริสุทธิ์อันหนึ่งสมมติอันหนึ่งนิมมติไปเข้ากันไห้อย่างไรมันเป็นหลักธรรมชาตินี่อิที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นหลักธรรมชาติตัวอันหนึ่ง ขันมันก็เป็นหลักธรรมะทางมันแต่ละอย่างอย่างต่างอันต่างจริงมันอยู่ถ้าเราไม่หลงมันก็อันต่างจริงผู้ไปหลงกับผู้ไม่จริงไปหลงยึดเพราะฉะนั้นจึงพิจารณาให้มันถึงความจริงแล้วต่างอันต่างจะได้จริงจะไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เกิดเรื่องเกิดราวก่อควรมิดใจเหยีบย่ำทำลายจิยตใจตนเองเพราะความหลงความตัวเองความมิถืงตัวเองให้มันหนักปเปล่าเย็นเทศคือข้าจะกลืนเทศผมฟัง คุสะดุดสะดุดใจดังท่านคุณจะบวิชาเอาผมแล้วมันเทศอยู่วัดโพนผมก็นั่งฟังนั้นเพราะท่านมาเอาผมไปเรื่อยวัดจะมีงานอะไรต้องเอาผมไปไประเทศเลยงานเขาจะมาทอดผ้าปูนผ้าป่าท่านซ่อมโบสถ์ของท่านแล้วจะอะไรทําโบสถ์ที่หลังคาโบสถ์ใหม่ให้เป็นสามรถอะไรหนอะแต่ก่อนมีอันเดียวให้เป็นสามรถ ไปยืมเงินมามาขุดมาหนึ่งหนึ่งแสนรือว่าหนึ่งแสนสองหมื่นนี่ก็หนึ่พยายามหาเงินให้เขามาซ่อมอนี้ทำหลังคาใหมา่แล้วก็ทางนุสิตผู้ขังท่านมากเดี๋ยวทางสกลมาเดี๋ยวทางนาครมาเดี๋ยวทางขอนแก่นมาทางนู้นมาทางนี้มามาทา่พะป่าใครมาจากไหนก็ตาม ก, ก็ต้องมาลากเอาเราเนี่เป็นผู้เปเทศเนี่ย เราจึงต้องในเปี่ยวก้อ ง, งเสมอไปค้างที่วัดโพอยบ่อยตอนท่านอยู่คุณอุปชาญาังมีชีวิต อ, อยู่ผมไปข้างวัดโพยบ่อยเพราะถูกเอาไปนี่ถุดไปลากไปแม้สุดเราบอกเราไม่สบายอย่ไม่สบายเวลาไปนี่มันหายเองเหรอผมว่างั้นเพี้ย <laughs> เราไปเทสอันนี้วันหนึ่งมีงานอะไรไม่รู้นะเราก็ได้ไปในงานนั้นท่านเป็นผู้เทศตอนนั้นถ้า <laughs> <laughs> ไปถึงเรื่องนิพพานไปนาตายยี้ <laughs> อนิาก็เป็นนตาเหมือนกันมันก็สะดุดปงนี่แล้วนี่ก็ดีแล้วเฉยพอท่านตากุิแล้วก็ตามหลังไปจน ท, ทําไมพระเดชพระคุณยังเทศว่านิพพานเป็นหน้าตาก่อนบังคับไม่ได้ก่อนนิพพานไม่ใช่ผู้ต้องหานี่บังคับหาอะไรแล้วนายใสลท่านเลยเงียบเลยโอ้อันหตาเป็น ร, รายลัทธใช่หรืออนิจจังทุกขังนาตานี่เป็นทางเดินของพระนิพิพานพิจารณานิจจทุกขังนาตาสมบูรณ์เส็จทีแล้วจึงก้าข้นสู่นิพพานได้นี่เหตุใด นิพพานจึงมาการเป็น อ, อนัตตาเองก็เป็นนิพพานก็เป็นแปรรูปมันวิเศียิสุสธ์อะไรท่านนินน่งในวันตอบเนี่ยแต่เอาสองตัวสองนะพ่อกับลูกนี่พูดกันเราพูดด้วยวเหตุด้วยผลเพื่อความเข้าใจเราไม่ได้พูดเพื่อประจานขายหน้าท่านอะไรเพราะฉะนั้นเราจะจริงจริงไม่พูดในขนาดนั้นไปหาท่านโดยเฉพาะท่านท่านนิ่งเลยนะไม่พูดพฤตกรรมส่ว น, นมากท่านเองนั่นแหะนี่ก็เล่าได้เป็นฝ่ายโจมตีท่าน <laughs> เรานี่แหละเป็นตัวเบอร์หนึ่งแต่เราเชื่อเจตนาของเราเท่านั้นแ่ะเหมือนพ่อเรานี่ก็พ่อพระอันว่าไงพ่อเราถ้าหลังไปเลยบัวบัวว่าเนี้บัวไปอทําไมเจ้าพูดถูกตจอานั่งไหนบัวโอ้ยใครพูดผิดแล้วดูบัวแ <laughs> <laughs> ล้กวก่อนเฉยเสียเมื่อท่านยอมรับแล้ลลวเราก็เฉย หลายครั้งต่อหลายครั้งละ่ะที่เราไปค้านท่านในเรื่องต่างๆไม่เห็นด้วยแล้วชี้แจงเหตุผล ท, ท่านทราบด้วยท่านยอมรับท่านไม่เคยค้านเราในขณะที่ฟังแรกท่านต่ต้อ้นิ่งหมดเลยละยอมรับท่านก็นไม่ว่าค้านท่านก็นไม่ว่าพอไปครั้งที่สองเนี่ยอจะท่านจะกระจายมาหมดเลย เรายังไม่ลืมท่านพูดเล่นกับเราเนะี่ยแต่พัอกอยู่วัดเทพคุรินนะเรายังไม่ลืมไปได้วยกันพังด้วยกันบัวมืนยิ้มเฉยๆบัววางนัน้เราก็มองนี่ต่อไปนี้เจ้าจะเป็นเจ้าจะเป็นเจ้าคุณอุบลีน้อยนะเจ้าเทพเก่งมากนะบัว น, นะเจ้าจะเป็นเจ้าคุณอุบลีน้อยนะเจ้าเทพเก่งมากนะแต่ถ้าไม่มีปัญหาเทพทั้งเจ้าเป็นที่หนึ่งวางนี้นะ แต่ถ้ามีปัญหาการตอบปัญหาเป็นที่หนึ่งยโอ้ค่อยชอบมากตอบปัญหาเนีเ่มันทันใจเล้เกินเจ้าคิดยังไงหวมันต้องพอถามมาปาปลูกตอบปุ๊บนะค่อยนี้ไม่ได้ไม่ไหวัวผมถาบด้วยกันพูดสนดุกดีไอไนน้นั่นเราไปเทศท่านรู้สึกว่าท่านเมตตามากกับเราเนะ โอ้ท่านปฏิบัติกิตภาวนาของท่านเล่นหมากกรรมฐานเรายังสู้ไม่ได้นี่เออท่านทําสิงทำจังท่านบิณฑบาตกรรมอาตมาวางบาตปุ๊บท่านขึ้นไปห้องพระแล้วพอการพระว่าเสร็จท่านนั่งภาวนาเลยตรงท่านได้เวลาท่านกินลงมาท่านทางานพอทำงานเสร็จแล้วไม่มีแขกท่านก็ลงบกกลับขึ้นมาท่านก็พักนิดหน่อยบางทียังเจ็ดโมงท่านตื่นแล้วรำนาโอ้ยพักมันไม่นานละบัวสามสิบนาทีสี่สิบนาทีเป็นอย่างมากอันนั้น จากนั้นมาก็เอาละน่นั่งสมาธิแล้วก็เดินดึงกลมอยู่ข้างบอถ้ามีแขกมาก็เดินขึ้นบนนบ่ายท่าจะลงมาถ้ามีแขกก็ลงมาตามแขกกลางคืนก็ถ้ามีแขกสามทุ่มท่านก็ขึ้นไปสวนมนต์ภาวนาอะไรแบบนั้นแล้ ว, ล ว, ลวก็สี่ทุ่มกว่าท่าพักบางที่ตื่นที่หนึ่งก็มีที่สองก็มีทขนาด นั่นแหละที่ทําวามเพียรตักษะนั้นจนตลอดลูกหน้าบัวว่งค่อยไม่เคยนอนซ้ำาันว่า ง, า ง, างั่นนะสันว่างค่อยเจ้าฟั <c oughs> างดิควเพียรทั้งท่านชอบมากเรื่องธรรมบ้า น, นไปนั่งอยู่กี่ชัว่วโมงก็ตามไม่เคยเห็นท่านเอาโลกอเอาองศาอาการบ้านการเมืองการได้การเสียอะไรมาพูดเลยมีแต่ ท, ทําล้นล้วนเดียวพูดนอกจากนั้นนะคับ มาเยะเราเรนะื่องนี้นี่อยากจะได้ความรู้แปลกๆจากเราอมีเฉพาะสองทศสองท่านเยอะจริงนะหาอบายซอกแสกถามนั้นถามนี่เพื่อจะอุบายจากเราถ้าว่ามีหนึ่งมีเพื่อนหนึ่งสององค์สามองค์นี้ท่านก็เป็นฝาดพูดแต่เพี้ยมีเฉพาะสองทศสองเลท่านจะหาอุบายพูดเพื่ออะไรเป็นเหมือนจะว่าขอธรรมะจากเรานั่นแหละขออุบายต่างๆครับ นักถามอย่างนั้นถามอย่างนี้มืนจำเป็นล้วต้องตอบนั่นหลักการต่อไปคือการให้บบายแล้ว <c oughs> ท่านท่านรักกรรมฐ า, านมากใครไปแตะกรรมฐานท่านไหนนด่น <c oughs> นี่คุณธรรมเกีี่กราบท่านอยู่ทุกวันนี้ผมเคารพท่านมากทีเดียวพอรู้เรื่องของท่านแล้ว อ น, นี้จะเอาเรื่องโลกหลื่องอังสารมาคุยเวลาคูยเรื่องเรื่องธรรมะไปปฏิบัติทั้งนู้นทัง น, นี้แต่ก่อนท่านพป็นกรฐานอย่นี้นู้นไป น, นี่ยิ่งแต่กระท่านจันท์มั่นผลพาไปนู้นไปนี่เลท่านกันเล่าบอากกันนั่นกันเล่าเรื่องครูบาอาจารย์มันเปเรื่องกรรมฐานทั้งนั้นแหละตอนที่ท่านผมเข้าใจตอนท่านเข้าใจผิดผมตอนหนึ่งเหมือนกันนะ ท่านท่านาขอโทษเองนะปีนั้นอนะ่ะปีท่านพ่อแม่ครูอาจารย์เรามรณภานะพอ่ะพอถวายเ่อนท่านเสร็จแล้วผมหีกหนีจากหเพื่อนมาหนีมาไปทางเพื่อบ้านผือไปคนเดียวจะไปเที่ยวเข้าบ้านผือเพื่อท่าบอกแต่ในป่าในเขาพอดูท่านมาก็ต้องมาแวะวัดโพจะทําไงพ่ออยู่ที่นั่นก็ต้องมาแวะหรืมาอุดอรก็ไม่แวะมันยังไม่เหมาะเคี่ยวความขอรบก็เลยแลวะ เราจะท้ไปไหนเันจะไปเที่ยวข้อยจะไปด้วยหวานโอ้กูาตานี่นึกในใจค่อยจะไปด้วยบัวค่อยจะไปฟ้อนนาด้วยท่านก็ไปด้วยท่านไม่ไปแต่ท่านเีอญาตโยมก็หลั่งหลไปด้วยแล้วก็ไปแหงอยู่ในป่านเราลํลคาคันเพราะตอนนั้นมันใหม่กิจมันหมุนตัวติ้วติ้วมันเข้ากับใครไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้นอกจากอยู่คนเดียวเท่านั้น มันไม่ให้มันว่างงานนี่เพราะว่างงานไม่ต้องการความว่างงานเลยว่างงานเลยมันหมุนวมันติวติอยู่ตลอดเหมือนน้าซับน้ําซึมไหลลื่นอยู่นั่นด้วยพินิจพิการที่้นนียแล้วลาคาญมีแขงมีคนยกบ้านนั่นขึ้นไปส่งข้าวบ้านนี้ขึ้นประสงค์อาหารบ้านคําร่วงบ้านอะไรแถวนั้นแหละผมจําไม่ได้มันหลายปีมาแล้ว ไ ม, ไมนนนน่ไม่วันหนึ่งก็เป็นบ้านหนึ่งไม่วันหนึ่งก็เป็นบ้านหะนึ่งอยู่นั่นแหะขึ้นประทรงเขาเข้าไปแล้วเขาค้างคืนไม่ค้างบ้างตั้งจากคนที่ไปด้วยมันก็มีตั้งสามสี่คนแล้วจะคุยกันกับคอสภาแตกแล้วแยังยังมีชาวบ้านที่มาส่งข้าวส่งขวานมาบวกกันเข้าไปอีกเฉียบกันลัน่นผมก็อยู่ไกลๆนู้นลึกๆในป่าท่านรู้สึก ท, ท่านจะ ว, วิตกวิจาร์กลัวแทนผมอยู่นะเพราะท่านไม่เคย แต่ผมมันได้มีความสนใจอะไรกับเรื่องแบบนั้นเรื่องกระกาขัวควูอะไรมันก็ทําทางกมลมในป่าลึกเข้าไปนู่น ท, านาทา่านทราบท่านก็ท่านก็จะไปเดินดูบัวทางกรมเจ้าท่านก็ไปเดินโอ้ดีแล้วบัวท่าจะไปเดินตรงทางนั่นหัวเหตน้นเราก็ต้องให้ท่านเคียเพราะท่านเดินแล้วเราก็ไปเดินมันก็ไม่เหมาะแล้วก็ไปทําทางอื่นในใกล้เอื ไหนก็ไปดูบัวอีหละท่านบอกว่าอุยดีนะบัวดีนะใครเดินกลมท่านนี่วะเอ๊ะทาไมทำให้ชอบคนแบบนี้นะความจริงอะท่านท่านกลัวแทนเราท่านไม่อยากให้เราไปเดินกลมอยู่อย่างนั้นในกลางคืนเพราะเสือมันชุมนี่งความจริงมันตรงนั้นเพอตรงนั้นแล้วก็นู่นครับขาวนี้ยิงกายนะขานี้นะห้ามพวกชาวไร่ตายนู่นไปอยู่ ป่าไม้ยางใหญ่ไกลเทา่านี้ก็กิโลนึงยนะไม่รุงจะไม่ทำเกสิสิบสิบกว่าเส้น ไ, ไดนะ้โยมก็ไปทำทางจงกลมให้ไปทำแค่ร้านเล็กให้เราจะไปดี น, นุ่นมาขอกินจากข้าวด้วยแค่นั้นแ่ะเวลาตัางวันตัางคืนเราจะดี น, นนะุ่น เขาไปทําเสร็จแล้วก็กลับมาท่านก็ทราบเพราะอายมในไร่นั่นไปไปทําครับในบัวอย่าด่วนไปนะเขาเขาไปดูก่อนบออีแหละถ้าไปดูถ้าไปดูแล้วท่านก็ไปนั่งภาวนาท่า น, นาก็แหงท่านไปละลูกหิตพวกญาติโยมไปครับ <laughs> เราไม่ไ้ไปด้วยละท่ะนไปไปดูแล้วโอ้บัวตรงนั้นไม่ดีอะบัว ถ้นั่งดูแล้วมีแต่ตั ว, ตวแมงอะไรมันเจาะตาคอยจะขบายท่านหนาวว่าแต่งนั้นแล้วประการนึ่มันเปียวนะบัวนะบัวไม่เหมาะแล้วมันเปียวมากไปบัวจะไปเถอะว่าพี่เราก็จะฝืนท่านไปได้ยังไงเขพูดว่อเขาคของเขาลบเราก็มาทราบอาจารโอ้ที่ว่าท่านกับนั้นท่านกัไปเดินทางตรงนี้ทั้งเดือนท่านกลัวแทนเราเมือ่อเมื่อทราบอาจารย์ก็ไปทราบตอนนั้นแหละตอนที่ว่าเราทําร้านในเรื่องอยู่เนี่ย จะไปภาวนามันเปี่ยนนะบัวนะหน้าควงวอยู่มากน่ะหว่างเหี้ยจะไปเถอะจไปเถอะนี่แสดงว่ า, ป า, ปวาเป็นห่งวงเราเนื่องเรากะลาปนู้นแล้วกระลาไปนี่พอเราไม่สะดวกในการภาวนามันขาดได้ได้เมื่อไหร่ผิดตอนนั่นน่ะขาดคนเพียนได้เมื่อไรมันหมุนติว้วติ้วอยู่นั้นเนี่ยแล้วใครจะไปยุ่งกับเราล่ะนี่ไปยุ่งกันอยู่เลยบ่อยๆได้เนี่ยมันก็ลาคาเนี่ย ลาบรรลท่นลามาทางบ้านกลางอะไรทำพระหรือทำอะไรนี่โอ้ยเขาเป็นโรคนั่นนะำบัวโรคอะไรท่านพูดของท่านโรคติด ต, ต่อ น, น้บัวจะไป ห, หัวอีละ <c oughs> ลาลหลายท่านหนนท่านก็อุทานออกมาเลยจีจีนี่เนี่ยเออโอ้ยบัวเ อ, อ้ยมึงมันไม่สงบเพราะค่อยแล้วถ้ะคัค่อยกลับไปแล้วเจ้าก็สงบเจ้าก็บสบายแล้วทันก็ว่านี <c oughs> ่เราก็เฉยลาซะจนได้หนีจากท่าน พอผมหนีมาไม่ถึงสองามวันลัง้งท่านก็นตามมาตอนนั้นเองท่านก็ออกมาอุดรผมกับ้าน้ำผมมีปาเห็นมาเป็นจิตตอนนั้นมันจิตมันหัวเนี้ยวหัวต่อโอ้โหหมือนที่ตยนนั้นจึ่ได้กลับมาก็ทุบมาแวดท่นอีกแหละท่านหาอุบายไล่ไปให้ใหไปต่วยกําไ้จ่า้เจริญหมอเจริญจเจริญกำลังเรียนแพทย์อยู่ให้ไปต่วกําจ่ายหราดวเนี้ย่นาอุบมัดเหล่าไว้ กัวเรานีรุนแรอีกทั้งท่านกลัวมากกลัวเราจะมีจากขอบเสียแล้วนี้เราพอบวชเรนนั่นเราก็หนีขึ้นไปบนเขาไปอยู่วัดดอยทำเจดีเนะนี่เราพูดเรื่องอะไรมันถึงไปถึงอำเภบ้านผืนนะฮะแล้วมันมันสัมผัสไปไังไงน ะ, ะ, ะงเนอะคุณดูความใจดีท่านนักชอบทางกรรมฐานชอบมากเลย ท่นเท่าน้ำทั้เรื่องแต่สนมากเป็นฝ่ายผมหน่อว่ากันนะท่านไม่เคยได้ว่าผมนี่จะผมไม่ว่าท่านอยู่้วจะว่าตรงไหนมันถูกนี่นะเพราะงั้นท่านถึงยอมรับนี่แสนทุกข์แสนทรมานทั้บังคับทางด้านร่างกายบังคับทางด้านจิตใจ ตะลุมบอลกันเป็จนจะไม่นึกว่าชีวิตจะรอดมาบางครัง้งทุกขณะนั้นเห็นไาสอนจุดสี่จุงห้าเอากระปิละลายน้านทะเลใครอยากจะไปละลายเขาไม่เห็นเวลาเราจะเป็นจะตายเขาไม่ได้เห็นเขาไม่รู้เขามารู้นี่ว่าอาจารย์มหาบัวอาจารย์มหาบัวตอนนี้อื่ ตอนเราเป็นเด่นตายมาแล้วนี่บางคนก็อาจยกยอไปว่าทามหาบัวดีงั้นดีอย่างนี้ไปเวลเราจะตายก็ไม่เห็นลูกนี่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์เป็นอย่างนั้นะค่ากิเลสไม่ได้เป็นของค่าง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบกล้วยหอมพอจะปอกเปลือกแล้วกินเลยแล้วเปลือกทิ้งที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเก็บคนขี้เกียจมันมันขี้เกียจ เก็เปลือกก้วยแต่มันขยันกินมีอะไรที่อ้นเรียบๆแต่เปลือกทิ้งเกลื่อนพวกเราพวกเกล้วยหอมนี่พอน้ำบ้างควรแจะตายเรื่องนี้เวลามันจนกรอบจนมุมน่ะเป็นเวลาที่ปัญญามันออกปัญญาไม่ยอมจนกรอกมันรอดไปได้ถ้ามันจนกรอกจนมุมมัน พันดาไม่เกิดพทษที่เหลืดครอบหัวมันติดสุ ข, ส, ขสุขที่เหลืนั้นแะผิดให้หลอกเอามาเยือดเดือมาลอกอางั้นสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้ที่เหลือมันเสพมันเต่าให้ฟู่เท่านัน้นไม่ถึงกับฟู่ๆู่อย่างนี้เลยแหละมนุษย์เราโง่จะตายไปเชื่อมหมด ไม่เรียนเพลงของมันหอวมันก็ร <gun> <debido> ู้ของมันเองอทำไมเรียนถึงมันไม่รู้มันเพามันละเอียดขนาดไหนมันแฝงอยู่ทุกแง่ทุกมุมแห่งความเพี่ยนของเราทั้งที่เราว่าเราทำความเพียนนั่นเนี่ยกิเลสมันก็ทําความเพียนของมันไม่สอยแต่เราไม่รู้ว่ามันทําความเพียนของมันเราเรามาเอาแต่ลมแต่แล้ง่าเราทําความเพียนเดินยองกลมหยอกยบหยบหาสติตะตังก็ไม่ได้นี่เราคำเอาแต่ชื่อว่าเราเดินยองกลมที่นี้กิเลสมันขยับ อย่ในตัวของมันนั้นทําให้เผออะไรทําให้เผอทําไม่ใช่กิเลสทําให้เผอนั่นทํำให้งกง่วงทําให้เกียร์คีคร้านอะไรทําทําไม่ใช่กิเลสมันทํานั่นนั่นแหละมันแทรกอย่างนั้นแต่เราไม่รู้จงว่า้ามันเรียบมันรู้เองนะะมันอยู่ในหัวใจใดแสดงมาจากฉับตัวใดบุคคลไปด้วย ก, กิริยาท่าทางใดเป็นกิเลสประเภทใดมันรู้รู้รูเ้เมื่อทําเหนือมันแล้วรู้หมดทํำเหนือมันแล้ ว, ลวจ้างก็ไม่รู้ว่าไง ดีไม่ดีไม่ถูกกล่อมเหมือ น, น อ, ยอย่างอะไรชีกนนชัยเป็นตัวฉลาดมาพูดถึงเรื่องคนฉลาดคนโง่ก็เหมือนกับว่าเร่างูยี่เหลี่ยมฉลาดเทียบกันอืถ้าก็ว่าตัวชีกนน์ไชในมันฉลาดอะรไรเออมันฉลาดอะไรวะกูจะตดสกระบอกนี้ปิดดีๆแล้วไปให้มันดมอยู่อ่ะหาลองดูสิมาตดต่กระบอกแล้วปิดไปนั่นคนโง่มันต้มันก็ต้องเอาความโง่งไปมันจเจอาคนฉลา ด, ไ, ดไปไหนไป มาอะไรไหวนี่หัวกูก็จะเอามามาเอามาเขามามึงนี่และแล้วก็บอกอะไรก็รบอกตรมึงมะจะไปทำอะไรก็บอกเดกูจะไว้มึงดมอือไม่ใช่มันลเลืยมึงเปิดดมดูอยู่พอเปิดดอุ้ยมันยั่งอยู่นั่นะยังอยู่เลยมึงกระดมทีสมดท่าเลยเจ้าของกระดมตรเจ้าของนั่นแหละนี่พวกเราพวกดมตดจเจ้าของเข้าใจไหมอืมแต่งงที่แหลกนี่แนี่มันเป็นคติอย่างนั้นนะมาพูดนะ พวกเราหนุ่พวกโดม้งจะของคนฉลาดคนฉลาดคนง่มันก็ผิดกันอย่างที่เห็นนั้น MM นี่แหละมันฉลาดเวลาเราโงูมันก็เป็นอย่างนี้เอาที่นี่เวลาเราฉลาดีิเลนก็หมาะอย่างที่ว่าขุดคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันอย่งนั้นนั่นน่ะคือคุ้ยเขี่ยขุดค้นหากิเลนเพราะกิเลมันฉลาดมันหลบมันซ่อนนี่ไม่คุยเขี่ยขุดค้นไม่ได้ถึงขั้นกิเลมันหมดอํานาจมันสู้เราไม่ได้มันก็ต้องหมอก ความหมอบของจิตเดชไม่ใช่หมอบจ น, นกรอกมันหมอบหาที่หลบซ่อนด้วยความฉลาดของมันน่ะเอาจนกระทั่งมันไม่มีเหลือที่หาที่จะหมอบไม่ได้แต่กระจายหมดจากดวงใจที่นี่จ้าขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วโลกธาตุมันครอบหมดตั้งแต่จิตดวงที่บริสุทธิ์เท่านั้นนั่นเราต้องจะเห็นเรื่องของจิตเดชแล้วมันเป็นยังไงมันปิดเราได้ขนาดไหนมันหลอกเรามาได้ขนาดไหนวะทีนี่มันหลอกไม่ได้แล้ว เอาถ้าสิ้นซากไปเลยไม่ว่าโคตรว่าแทะอมิจฉาปัจจัยเป็นโคตรเป็นแทะของจิตเรศตั้งข่าลาแล้วก็เป็นลูกเป็นหลานเลยปัจจัยวิญญาณอย่างเงี้ยปัจจัยนามปังเรื่อยเนี่ยนี่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลอนของมันอ่ะออกงั้นก็เป็นหลอกมาหลอกเราทั้งหมดเนี่ยแหะทั้งโคตรทั้งแทะทั้งลูกทั้งหลานกายเป็นหลอกเราทั้งนั้นเอาตรงนั้นแล้วลากออกหมดอรู้เลยพี่มันออกมาในแง่อะไร เงินไหนแล้วมันก็ไม่ไมีแลื อ, อโ อ, โอ้ในโลก น, นี้มีอะไรยิ่งกว่าพีนเถ้ามันกล่องก็ได้หมดทุกเพลงไม่ว่าเพลงยากเพลงละเอียดกล่อง ห, หลับสนิดได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ความโกรธความโมโหตัว โ, โสมเป็นของดีเมื่อไรทำไมมันพอใจโกรธนั่น่ะดูสิความรักความชั่ว ไอ้ความเกลียดความชังนี่นะมันเป็นของดีมามันยังพอใจเกลียดพอพอใจชังได้ดูซิมันหวานไปทุกอย่างเลยขึ้นชื่วเพลงยี่เลยมันตากระจายไปจากใจที่เหล่านี้มันเป็นภัยทั้งนั้นมันรู้หมดไม่รู้มันมันแตกไปได้ยังไงแลแต่นกเราล่ะเป็นไงแต่นกเข้าใจไหมฟังเทศน์นี่เข้าใจหรอไม่จะพูดเฉยเฉยหรือเข้าใจจริงหรอ อ่านจันล่ะเป็นไงจันเนนมื่อไนนะขณะที่ฟังเทศจิตมันอยู่กับตัวไม่สงบไหมสงบครัคือฟังเทศให้ตั้งความรู้ไว้ที่ที่ความรู้นี้อย่าส่งออกมาภายนอกแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศก็ไม่ควรให้ตั้งความรู้ไว้ตรงนั้นเหมือนกับว่าฝนตกมาละเราภาชนะไปตั้งลงตั้งลงที่น้ำจะไหลลง มัต้องเคลื่อนต้องย้ายไปไหนแล้วผล ต, ตกมันก็ไหลลงมาของมันเองจิตของเราก็ตั้งเป็นภาชนะขึ้นรับเสียงทำกระแสของธรรมก็จะผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปความรู้สึกของเราก็จะสืบต่อกับกระแสของธรรมเรื่อยเรือยไปต่อไปจิตของเราก็สงบสงบสงบจนลืมเนื้อลื ม, ล ม, ลมตัวไปถ้ากฏจับจิกกับกระแสของเสียงกระแสของธรรมที่สัมผัสในความรุ่นแยากแยกแยกแย ก, ย ก, ยก ก็สงบแน่วลงไปเพราะฉะนั้นภาคการฟังเทศนี้เองเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งเราไปทําโดยลําพังเรามันก็ไม่ค่อยสงบพอาฟังครูบาอาจารย์เทศน์มันเหมือนกับกล่อมลงไปให้สงบเย็ยนอ่ชเลยพูดตรงนี้แหละพูดพูดเสียงดังขึ้นเรื่อยๆมา